เวลานั่งภาวนาเมื่อไปถึงจุดหนึ่งลมหายใจเบาบางมากจนเกือบหายไปถึงจุดหนึ่งที่มีแต่ความนิ่งตอนนั้นมันไม่พิจารณาอะไรเลยลมหายใจก็ดูไม่ได้ดูความคิดก็ไม่เห็นมีมีแต่ความนิ่งจนต้องสูดลมหายใจแรงๆเพื่อให้เห็นลมติดการภาวนาแบบนี้มานาน อยากเรียนถามว่าเมื่อถึงจุดที่ลมหายใจหายมีแต่ความนิ่งจะพิจารณาได้ไม่ได้มีแต่ความนิ่งจะต้องทำอย่างไรค่ะเอาดูตัวนิ่งไปก่อนสิดูตัวนิ่งไปรู้ว่านิ่งในความนิ่งนั้นเดี๋ยวก็จะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมาถ้าดูตัวนิ่งแล้วยังรู้สึกว่าแหมเนี่ยมันเลิกคิดแล้วเข้าใจไหมแม่มันสงสัยแล้วดูให้ทันตัวสงสัยนั้นเข้าใจไหม นี่เห็นไหมไม่ทันใช่ไหมเนี่ยยังไม่ทนันเออไปมัวแต่กังวลแต่ว่าเราติดนิ่งติดนิ่งแล้วก็เลยกลัวว่ามันจะติดนิ่งอ่พอเอ๊ะขึ้นมาก็ไม่ทันเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมไม่ทันจิตไม่ทันจิตนิ่งนั้นไม่ใช่จิตที่แรกอันจิตเนี่ยมันนิ่งอยู่แต่มันไปนิ่งอยู่กับกายเข้าใจไหมมันดูกายอยู่มันดูกายอยู่แต่ว่าตัวจิตนะเป็นตัวดูเป็นตัวดูตัวดูผมเอ๊ะขึ้นมาเราจะมาเห็นตัวนี้เข้าใจไหม ะเอาตอนแรกตอนแรกปุ๊บเนี่ยมาสัวมาเห็นไมโครโฟนปุ๊บจิตก็นิ่งอยู่กับไมโครโฟนแต่ไมโครโฟนไม่ใช่จิตใช่ไหมไม่ใช่จิตเพราะนนิ่งนั่นอาการนิ่งไม่ใช่จิตแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจิตที่มาอยู่กับมันมาจ้องอยู่ที่กะอันเนี้ยคล้ายๆจ้องดูอยู่ไมโครโฟนอันนี้มันมันอยู่กับอันนี้มันโฟกัสอยู่กับอันนี้พอจิตเอ๊ะขึ้นมานี่คือตัวจิตตัวที่มันรู้นิ่งอยู่นั่นมันเอ๊ะขึ้นมาเราก็เห็นตัวนี้ แล้วจะเห็นว่ามันเกิดดับเข้าใจไหมเนี่ยเอ๊ะปุ๊บนี่เกิดดับแล้วนี่เนี่เราเชานี้เราก็จะพัฒนาเป็นวิปัสนาขึ้นมา